ในมหาสีหนาสูตรข้อ166ที่พระองค์ตัดกับภาษาริบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรตถาคตประกอบด้วยพละเน่นะคือยาณภละหรือกำลังเหล่าใดย่อมปฏิยานฐานะแห่งผู้เป็นโจก ค, คือเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำย่อมบรรลือสีหนาสประกาศอย่างไม่หวั่นเกรงในบริษัททั้งแดอย่างพรหมจักให้เป็นไปเน่นะ คำว่ายังพรหมจักให้เป็นไปนั้นโดยศัพท์เนี่ยจักตัวนี้หมายถึงพระธรรมจักนะนะจักในที่นี้หมายเอาพระธรรมจักคือพระองค์นั้นประกาศแล้วก็ยังพระธรรมจักธรรมจักหรือพรหมจักให้เป็นไปคำว่าธรรมจักเนี่ยนะที่พระองค์ทรงประกาศให้เป็นไปนั้นธรรมจักรมีสองอย่างในหน้าเจ็สิบหกนะ น่าจะเฉพาะที่กล่าวถึงธรรมจักรมี2 อ, อย่างคือปฏิเวทญาณและเทศนายานคําว่าธรรมจักรธรรมะตัวนั้นหมายถึงปัญญาปัญญาที่ให้เป็นไปแล้วทั้งที่เป็นปฏิเวทญาณและเทศนายานในธรรมจักร2 อ, อย่างนั้นธรรมจักรที่ปัญญาอ บ, บรมแล้วนํามาซึ่งอริยผลสําหรับพระองค์ชื่อว่าปฏิเวทญาณก็คือการปฏิบัติที่เพื่อความตรัสรู้สําหรับ พระองค์เองนั่นแหละเป็นปฏิเวทยานการเจริญคุณธรรมการสร้างคุณธรรมเนี่ยนะให้แก่ตัวเองขึ้นไม่ว่าจะอบรมโพธิปัขจยธรรมเหล่าใดที่นำมาซึ่งอริยผลมีโสดาปฏิผลสกท า, าคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลให้เกิดขึ้นในพระองค์ชื่อว่าปฏิเวทยานส่วนพระธรรมจักเนี่ยนะเทสนายานคือที่เกิดจากการุณาการุณานี่เป็นตัวอบรม อบรมนำมาซึ่งอริยผลแก่สาวกทั้งหลายอันนี้ชื่อว่าเทสนายานคือการปฏิบัติด้วยปัญญาของพระองค์เพื่อบรรลุมรทผลสำหรับพระองค์การเจริญกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายเพื่อบรรลุมรทผลแก่สัตว์ทั้งหลายทีนี้สำหรับปฏิเวทยานเนี่ยนะานที่ตรัสรู้เนี่ยแบ่งออกเป็นที่กำลังเกิดและที่เกิดขึ้นแล้ว อย่างเช่นว่าปฏิเวทยานที่กําลังเกิดก็นับว่าตั้งแต่พระองค์ออกอภิเิสกรมเนี่ยนะตั้งแต่ออกบวชจากกรุงกบิลพัทจนถึงอรหั ต, ตมรรมชื่อว่ากําลังเกิดตั้งแต่ขณะผลเป็นต้นไปเนี่ยอรหั ต, ตผลเป็นต้นไปของพระองค์ชื่อว่าปฏิเวธรรมจักรที่เป็นปฏิเวทยานนั้นเกิดขึ้นแล้วหรือตั้งแต่ดุสิตนะตั้งแต่พระองค์เกิดในดุสิตจนถึงปฏิสนธิในพระคัน จนถึงออกบวชตรัสรู้จนถึงอรหัตตมัชที่โพธิบาลังชื่อว่ากําลังเกิดขึ้นขณะอรหัตตผลชื่อว่าเกิดขึ้นแล้วหรือในที่สามบอกว่าปฏิเวทยานเนี่ยนะกำลังเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามทธีปังกรที่พระองค์ได้รับพุทธภรรย์จนได้ตรัสรู้อรหัตตมัชชื่อว่ากําลังเกิดขึ้นในขณะอรหัตตผลชื่อว่าเกิดขึ้นแล้ว อันนี้ลําพังสําหรับตัวพระองค์เองนะนะสำหรับองค์พระพูทธเจ้านั้นในหนึ่งถ้าจะพูดอย่างสูงสุดพระยานธรรมจักรปฏิเวทยานของพระองค์เนี่ยกำลังเกิดตั้งแต่ตั้งแตไหตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงอรหัตตมัชที่โพธิบัลลังก์ในที่หนึ่งที่สองตั้งแต่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงอรหัตตมัชที่โพธิบัลลังก์อย่างที่สามตั้งแต่ออกบวชจนถึง ไปจนถึงบรรลุอรหัตตมัชที่โพธิบัลลังค์ชื่อว่าอารหัตตมัชชื่อว่ากําลังเกิดขึ้นขณะอรหัตผลเรียกว่าธรรมจักรที่เป็นปฏิเวทญาณเกิดขึ้นแล้วเัราปฏิเวทของพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้ามีในขณะอรหัตผลที่เกิดต่อจากอารหัตมัชความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีขณะอรหัตตผล เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้ในขณะอรหัตผลเช่นว่าพระนามว่าพระขวานี้เป็นวิโมกขันติกนามเกิดในอรหัตผลที่เกิดต่อจากอรหัตมรรคเป็นสัจชิกาบัญญัติเนี่ยนะเพราะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าความเป็นพราหมณ์ความเป็นพาธฐานของพระองค์ความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดในขณะอรหัตผลที่กําลังเกิดขึ้นก็ขณะอรหัตมรรคเกิดขึ้นแล้วในขณะอรหัตผล อันนี้เฉพาะในเรื่องของพระองค์เองส่วนตัวของพระองค์เองแต่สําหรับเทศนายาณที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายก็แบ่งออกเป็นที่กําลังเป็นไปและเป็นไปเสร็จแล้วนับตั้งแต่ไหนตั้งแต่พระองค์เทศนาพระธรรมจักรจนพระอัญญาโกณทัญญะบรรบลุโสดาปฏิมักชื่อว่ากําลังเป็นไปขณะที่พระอัญญาโกณทัญญาบรรบลุโสดาปฏิผลชื่อว่าพระองค์ยังเทศนาให้เป็นไปแล้ว นะกําลังเป็นไปและเป็นไปแล้วกําลังเป็นไปตั้งแต่พระองค์แสดงธรรมาจักไปเรื่อยจนถึงอัญญาโกณทัญญาขณะที่โสดาปฏิมากเกิดนั่นแหละนะเรียกว่าเป็นไปเป็นไปอยู่หรือว่ากําลังเป็นไปแปลว่ากําลังเป็นไปยังไม่ยังไม่ถึงที่สุดอันนะัยังไม่จบพอโสดาปฏิผลของพระอัญญาโกณทัญญะเกิดแล้วเป็น <c oughs> เป็นไปแล้วเสร็จแล้ว ยานสองอย่างเนี่ยปฏิเวทยานของพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตระเพราะอะไรเพราะเป็นอรหัตผลไหปฏิเวทยานตรงนี้หมายถึงอรหัตผลเพราะฉะนั้นจึงเป็นโลกุตระขณะที่พระองค์แสดงธรรมนั้นเป็นโลกิยะแสดงด้วยมาหากิริยาญาณสัมปยุตเนี่ยนะแสดงด้วยมหากิริยาญาณสัมปยุตทั้งปฏิเวทยานที่พระองค์ตรัสปฏิบัติจนได้ตรัสรู้อรหัตผลเทศนายาณที่พระองค์ประกาศพระธรรมมาจักให้เป็นไป ยานทั้งสองนั้นเป็นอาสาธารณะไม่ทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นเป็นยานที่เกิดจากอกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดจากอกก็คือเกิดจากอะไรเกิดจากใจของพระองค์ใจที่ปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใจที่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมเพราะฉะนั้นเป็นยานที่เกิดจากอกของพระองค์จริงๆเนี่ยนะโอรสเนี่ยแปลว่าเกิดจากอกเนี่ยนะเป็นยานของโอรสโอรสหมายว่า เป็นยานที่เกิดจากอกของพระองค์ไม่ใช่หมายถึงยานของสาวกนะแต่ของพระองค์นั้นพระองค์สามารถประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้วทั้งโดยปฏิเวทยาญและเทศนายานยานเหล่านี้เนี่ยนะเป็นของพระพุทธเจ้าในพระองค์ก็บอกว่าตถาคตถึงพร้อมแล้วด้วยพระเหล่าใดาประกาศฐานะแห่งความเป็นผู้นำพระเหล่าใดาที่พระองค์ยกขึ้นที่เบื้องต้นว่าดูก่อนสาหริบเนี่ยนะ ละสิบประการเนี่ยนะในข้อสี่สิบจึงกล่าวว่าดูก่อนสารีบุตรตถาคตย่อมรู้ฐานะในโลกนี้ว่าเป็นฐานะฐานะแปลว่าเหตุรู้ว่าอะไรเป็นเหตุและมิใช่ฐานะคือไม่ใช่เหตุคือรู้เหตุมิใช่ฐานะว่าเป็นเหตุมิใช่ฐานะตามความเป็นจริงดูก่อนสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ฐานะว่าเป็นฐานะรู้มิใช่ฐานะว่าไม่ใช่ฐานะ ตามความเป็นจริงอันนี้เป็นกําลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจก ค, คือเป็นผู้นําบัลลือศรีหนาตในบริษัททั้ง8ดเนี่ยนะยังพรหมจักรหรือพระธรรมจักรให้เป็นไปทั้งโดยเทศนายานและปฏิเวทยานความที่พระองค์ประกาศพระธรรมให้เป็นไปได้ก็เนื่องจากพระองค์มีปฏิเวทยานและ เทศนายาณอันนั้นพื้นฐานมาจากพระองค์รู้ฐานะและอะฐานะกรณะเรียกว่าฐานะฐานะแปลว่าเหตุเหตุหมายถึงสิ่งที่ตั้งแห่งผลนะเหตุนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ให้ผลเนี่ยเป็นไปก็เลยเรียกว่าฐาน ะ, ะฐานะเหล่าใดเป็นปัจจัยน่ะเช่นว่าฐานะบอกว่าไม่ใช่ฐานะคือเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระโสดาบันจะเข้าใจผิดว่าสังขาร เป็นของเที่ยงสังขารเป็นอัตตานนะหรื อ, อด้วยมิจฉาทิฏฐิว่ามิจฉาทิฏฐิจะทำให้พระโสดาบันเกิดว่าสังขารเป็นสุขโดยทิฏฐิเนี่ยนะบอกไม่ใช่ฐานนะเป็นไปไม่ได้แต่ปุถุชนรับหมดเลยเนี่ยนะเป็นไปได้หมดหรืออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ พระโสดาบันเนี่ยนะจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อรหันต์มีจิตคิดประทุสร้ายลังอย่างพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อขึ้นทำสังฆเภทนับถือาศาสดาอื่นปฏิสนธิใหม่ในภพที่แปดอันนี้ไม่ใช่ฐานะคือเป็นไปไม่ได้ไม่มีเหตุที่จะทำให้พระโสดาบันทำอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคือพระโสดาบันเนี่ยนะหมายถึงว่าอย่างกรรมบทเนี่ยนะปาณาติบัติไม่ใช่ฐานะที่พระโสดาบันจะไปผิด แม้กระทั่งว่าเกี่ยวกับปาณาติบาตฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผ้ารันอันที่จริงแล้วโดยที่สุดแม้แต่มแมลงวันท่านก็ฆ่าไม่ได้อ้าวแล้วทําไมจึงยกตัวอย่างระดับสูงถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ละ่ะก็ให้รู้เทอะว่าปุถุชนนี่หยาบมากพ่อก็ฆ่าได้แม่ก็ไม่ละเวน้นถ้าได้ปัจจัยอันสมควรอาณาธีตัวเองอธิบายได้ว่าทําไมต้องฆ่าก็พร้อมที่จะฆ่าแม้แม้แต่มารดาผู้ผู้ให้กําเนิดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะความเป็นปุถุชนนี่ถือว่ากรรมหนักมากนะ มีอะไรบ้างที่ปุถุชนทําไม่ได้ปุถุปแปล ว, ว่าหนามันชนที่ยังทํากรรมอย่างหนาแล้วก็กรรมที่หนักสามารถที่จะทําได้แล้วก็พร้อมที่จะหันหน้าไปนับถือศ า, าสตราใดาก็ได้ที่ผู้ถูกใจเนี่ยนะที่ผู้ถูกใจถูกต้องก็ค่อยว่ากันอีกทีหรือไม่เป็นไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นสององค์ในโลกเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะเพราะอันนี้เป็นยานอันที่หนึ่งที่เป็นเหตุให้พระองค์กล้ากล้า ปฏิญาณฐานะผู้เป็ น, ปนผู้นำกล้าปฏิญาณบรรลือศรีหนะในบริษัททั้ง8สามารถที่จะยังพระธรรมจักรประกาศพรหมจักรให้เป็นไปก็เนื่องจากพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นฐานะและไม่ใช่ฐานะหรือว่าไม่ใช่ฐานะหรอกที่ทุจริตสามจะให้ผลเป็นสุขไม่ใช่ฐานะที่สุจริตสามจะให้ผลเป็นทุกข์ไม่ใช่ฐานะ เป็นต้นนะนเรียกว่าฐานะฐานะเรียกอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะซึ่งมีโอกาสจะได้กล่าวละเอียดนะส่วนทศพลยานที่สองดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้วิบากของกรรมสมาทานคือการสมาทานทำกรรมด้วยกายวาจาใจแล้วจะให้ผลอย่างไรกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน รู้นะว่าอะไรเป็นฐานะแห่งกรรมอะไรเป็นเหตุแห่งกรรมเป็นเหตุแห่งวิบากตามความเป็นจริงดูก่อนสารีบทข้อที่ตถาคตรู้วิบากของกรรมมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งความเป็นผู้นำบรรลืสียหนาศในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไป รู้กรรมมาสมถานที่ทํามาแล้วในอดีตที่กําลังทาในปัจจุบันและทําต่อไปในอนาคตกรรมในอดีตให้ผลมาแล้วในอดีตกรรมในอดีตให้ผลแล้วในปัจจุบันกรรมในอดีตให้จักให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมในปัจจุบันกําลังให้ผลในปัจจุบันกรรมปัจจุบันที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมอนาคตที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตทีนี้ท่ากุศลกรรมทั้งหลาย กุศลนั้นจะให้ผลได้ก็ต่อเมื่อประกอบด้วยการัตคติอุปธิและประโยคะอากุศลธรรมทั้งหลายจะให้ผลได้ก็ต่อเมื่อการัคติอุปธิประโยคะที่วิบัติเนี่ยนะกุศลเนี่ยนะจะให้ผลต่อเมื่อการัคติอุปธิประโยคะสมบัติกุศลจึงให้ผลได้อากุศลจะให้ผลได้ต่อเมื่อการัคติอุปธิประโยคะที่วิบัติเพรัะวิบัติอวิบาศนแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็สุดเนื่องแต่ กาลคติอุปธิและประโยคะนั่นเองเนี่ยนะเนพะราะฉะนั้นอันนี้พระองค์รู้ฐ า, านะแห่งกุศลฐานะแห่งอกุศลอะไรเป็นเหตุแห่งกุศลและเป็นเหตุแห่งอกุศลเนี่ย น, นะกุศลให้ผลแค่ไหนให้ผลอย่างไรให้ผลละเอียดแค่ไหนทํากรรมหนึ่งครั้งมันให้ผลเท่าไหร่เนี่ยนะพระองค์รู้หมดเลยว่าทํากรรมหนึ่งครั้งแล้วมันให้วิบากเป็นทิฏฐธรรมหรืออุปเช้าวเวทนิยกรรมอัปราประเวทนียกรรม สมมติอย่างที่เราพูดหนึ่งคำเปล่งวาจาว่านาโมตัสสะพระวะโตอรหโ ต, ตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะพระองค์บอกได้เลยว่าเจตนาที่พูดออกไปนี่ทิฏฐธรรมเป็นอย่างไรให้เมื่ อ, อไรที่ไหนอย่างไรอุปเช้าวเวทนิยกรรมนี่จะเป็นอย่างไรอัปราประเวทนิยกรรมจะให้ผลที่ไหนและอย่างไรและจะให้ผลเนี่ยนะอะไรเป็นเจตนาเหล่าไหนาสามารถชนชนะกตกรรมได้ อันไหนมาไปเป็นอุปธรรมภรกรรมบุญยิ่งต่อไปหรืออะไรไปเป็นอุปปีและกรรมบาปอุปคาตกรรมแห่งบาปหรือว่ากรรมเหล่าเนี้ยเป็นกรรมที่ทําบ่อยๆไหมอะไรไหมเนี่ยนะเป็นพหุลกรรมไหมเป็นอาจินนกรรมไหมเป็นอาสนกรรมไหมเพราะว่าถ้านโมเฉยๆก็ยังไม่ใช่ครุกรรมพระองค์ก็จําแนกได้หมดเลยว่ากรรมเหล่านี้จะให้ผลเมื่อไหร่และอย่างไรที่ไหนเ้าเรียกว่า พระองค์รู้กรรมวิบากผลแห่งกรรมมสมาทานที่ทำมาแล้วอดีตอนาคตและปัจจุบันนะ่นะ